ทำอย่างไรจะเลิกโกรธได้อย่างเด็ดขาดถามทำอย่างไรจรึงจะเลิกโกรธได้สิกทีอยากเป็นคนดีอยากมีใจใส่หลายปีที่ผ่านมาพยายามกลับตัวกลับใจทุกอย่างซึ่งอย่างอื่นก็เหมือนดีหมดแล้วแต่รำคาญตัวเองในข้อที่ว่าด้วยความโกรธเป็นที่สุด เหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปจนตายจริงๆตอบคนดีใช่ว่าไม่โกรธแต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธโกรธแล้วไม่หลงตามโกรธนั่นแหละเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ยังเป็นปุถุชนที่จิตจะสิ้นความมัวหมองจากความโกรธความหมงุดหงิด ความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้นั้นต้องข้ามพ้นจากความเป็นปูตุชนไปสู่ความเป็นอริยะปฏิบัติธรรมเจริญสติบัตฐานกระทั่งถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เหนือความกระทบกระทั่งทางใจเป็นปกติเรียกว่าพระอนาคามีครับสูงกว่านั้นอีกขั้นคือพระอรหรันยิ่งสบายใหญ่นอกนั้นหมดสิทธ แม้พระโสดาบันกับพระสะกทาคามีซึ่งเป็นอริยะเจ้าชั้นต้นก็ยังโกรธได้โมโหได้อยู่สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่ายังเป็นปุตุชนจูดจูให้เลิกหงุดหงิดเลิกโกรธขึ้นเป็นอันลืมได้แต่มีวิธีลดระดับความโกรธให้เบาบางตามลำดับเรียงจากง่ายไปหายากดังนี้ 1. ไม่ลงมือทำอะไรตามแรงขับดันของโทสะเช่นไม่คว้างสมบัติให้แต่กระจายไม่ปล่อยหมัดเข้ากระแทกโหนกแก้มคู่กรณีแม้อยากทำใจจะขาดเป็นต้นหากตั้งใจกันจริงๆคุณจะพบว่าความเคลื่อนไหวทางกายนั้นเชื่องช้านักกว่ากายจะขยับไปทำอะไรได้สักอย่างต้องกินเวลา ต้องใช้กระบวนท่างอเงอเหยียดมากมายสู้จิตไม่ได้แค่ตั้งใจหยุดภายในเสียววินาทีเดียวทุกกระบวนท่าทางกายจะชะงักลงหมดคุณจะพบว่าที่จริงแล้วธรรมชาติเปิดโอกาสให้ยับยั้งชั่งใจตั้งนานก่อนที่กายจะประกอบกรรมอันเจืออยู่ด้วยโทสะได้สำเร็จแต่คนเราไม่สังเกตกันเอง และปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสบันดาลจนจบกระบวนท่าเสด็จก่อนสติถึงค่อยหวนทวนกลับคืนมาใครชอบลงซนปึงปังใครชอบคว้างป่าข้าวของใครชอบถลึงตาขู่คู่กรณีขอให้ลงตั้งสัตว์กับตนเองเถอะเลิกทมเลิกปล่อยกายไปตามใจ เพียงเท่านี้สักอาทิตย์เดียวก็จะพบว่าแม้ใจร้อนก็ไม่ร้อนเท่าเก่าลดระดับลงจากน้ำเดือดเป็นน้ำอุ่นได้แล้ว 2. ไม่เปิดปากพ่นพิษออกมาจากเชื้อโรสัทั้งคำด่าทอคำหยาบคายหรือแม้คำเน็บแนมกระทบกระเทียบเสียดแทงใจคู่กรณีจงงดให้หมดสิ้น เช่นแม้ใจจะนึกถึงของลับก็ไม่ปล่อยของลับจากปากอย่างมากให้ของลับงอกออกมาจากหัวคุณรู้อยู่คนเดียวพอเป็นต้นหากเป็นคนปากจัดปากตลาดปากคอเลาะรานและเปลี่ยนใจเก็บปากเก็บคำหรือแม้จำเป็นต้องพูดขณะโกรธก็คุมคำพูดให้ฟังดี เลือกคำด้วยเจตนาประณีประนอมเลือกคิดปราบศัตรูภายนอกกลับลำหันมาปราบผีร้ายในปากตัวเองเพียงเท่านี้สักสองสาวันก็จะพบว่าความคิดมากความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความหงุดหงิดที่เป็นเงาตามตัวคุณไปทุกคนทุกแห่งก็แผ่วลงถนัดแม้ใจยังกวาดแกงก็ไม่กวาดแกงเท่าเก่า ลดระดับลงจากพายุกระโชกเป็นลมแรงธรรมดาได้แล้ว 3. ไม่ปล่อยให้ใจหลงทลามคิดไปเรื่อยด้วยแรงขับดันของโทสะคือโกรธและมีสติรู้ตัวว่าโกรธเห็นความโกรธว่าเป็นธรรมชาติกดดันจิตและมองจากของจริงให้ทราบชัดว่า สภาพที่กดดันจิตนั้นไม่คงที่เดี๋ยวมีแรงอัดมากเดี๋ยวมีแรงอัดน้อยสั่งไม่ได้ว่าจงลดระดับความกดดันลงเดี๋ยวนี้หรือแม้กระทั่งอยากหน่วงเหนียวให้มีความกดดันหนักๆอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้อีกเช่นกันเมื่อตระหนักว่าความโกรธต้องมีขึ้นมีลงและเห็นอย่างนี้ซักร้อยครั้งพันหนไม่ใช่แค่ป๊อปแป๊บสองสามหน ในระยะยาวคุณจะพลิกสถานการณ์ยิ่งเคยร้อนเท่าไรพอฝึกสติจนเห็นความโกรธเป็นของไม่เที่ยงได้จิตก็จะเย็นเป็นตรงข้ามเท่านั้นคุณจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ่มแจ้งว่าแม้ความโกรธก็ไม่เที่ยงไม่นายึดไม่น่าหลงตามที่ตรงนั้นคุณจะสูญเสียความเชื่อว่าต้องโกรธจึงจะเหมาะ สูญเสียความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องตอบสนองด้วยอาการเร่าร้อนแล้วได้นิสัยใหม่ในทางตรงข้ามมาแทนใจเปิดกว้างมองเห็นมุมมองใหม่คือเชื่อว่าต้องอาภัยจึงเหมาะต้องปล่อยวางความคิดเอาคืนจึงควรฝึกสติถึงจุดหนึ่งจะพบว่าปัญญารู้แจ้งปล่อยวางความโกรธไม่ใช่แค่การคิดคิดเอา แต่เป็นสภาพของจิตเองที่ตีตัวออกห่างจากความโกรธตั้งแต่ในมุง้งสรุปง่ายๆว่าถ้าโกรธแล้วมีสติเท่าทันได้ตามลำดับก็เข้าขั้นสร้างเชื้อสายอริยเจ้าไว้ในตนทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความโกรธแบบศูนย์เปล่าใช้ประโยชน์จากความโกรธให้เต็มที่ ตามในยะวิธีที่แสดงไว้ข้างต้นนั่นแหละนี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ครับ